อบรมกรรมฐานแต่ละที่แต่ละคอร์ส ท, ที่เราไปกันมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากหรอกไปแล้ว ก, กลับแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ไปใหม่อยู่อย่างนะี้นะพรมันได้มามิติเดียวมิติทางกายเราบางทีเราไม่ไม่ได้มิติทางจิตหรือบางทีได้มิติทางจิตมิติทางกายล้วไม่ได้หรือบางทีได้ทั้งมิติทางกายทางจิต แต่มิติที่3คือมิติใกล้กลายใกล้ใจสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้เราไม่ได้ภาพสามิติกลุ่มกรรมฐานได้ภาพ3มิติใจเรียบร้อยกายเรียบร้อยสิ่งแวดล้อมล้อมตัวรอบข้างตัวก็เรียบร้อยเราเป็นภาพสมิติกรรมฐานที่จะทําชื่อของเราให้สมบูรณ์ขึ้นนะ แต่เราได้ภาพมิติได้มิติหนึ่งเนี่ยกรรมาฐานก็ทําหน้าที่ไม่เป็นละตะนัตนาตรายคําละตะนาตรายคือหมายถึงกายใจและสิ่งแวดล้อมของกายและใจถ้าใจเป็นศีลกายก็ต้องมีศีลสิ่งแวดล้อมข้างก็ต้องมีศิละปะเบิกายปใจเป็นสมาธิกายก็เป็นสมาธิสิ่งแวดล้อมเสถียรมั่นคงก็เป็นสมาธิไปด้วย ว่าจะเรียบร้อยอแล้วก็ถูกต้องใจก็เช่นเดียวกันว่าจะใจไปทั้งสามมิติเรียกว่าเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเราพึ่งใจที่สงบกายที่สงบสิ่งแวดล้อมกายที่สงบเป็นที่พึ่งได้เรามี จิต ท, ที่เรียบร้อยกายเรียบร้อยสิวดล้อมข้างเรียบร้อยก็ไปพึ่งได้นะนั่ น, นเองการฝึกกรรมฐ า, านจะต้องช่วยให้เราเป็นที่พึ่งไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนไม่รู้ที่กลยจากกายจากใจของเรารัตนาไตเฉะนั้นก็พึ่งได้น้อยมากนะแต่แลัทธนาไตาคือความ สะอาดสว่างสุบของกายวาจาใจและสิ่งแวดล้อมก็จะทำให้ชีวิตของเรามีที่พึ่งกว้างขวางออกไป น, ะนั่นเองเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆการเลียวเทรนนิ่งการฝึกฝนด้วยการศึกษาทันโตเศโทมนุสเสสุในยบรรดามนุษย์ทั้งหลายคนที่ฝึกฝนตนเองเป็นประจำคนนั้นจะเป็นคนประเสริฐ เนี่ยเขาพูดองค์ท่านตรัสไว้อย่างนัง้นคนไหนที่ไม่ชอบฝึกฝนตนเองคนนั้นก็เป็นประสาทนะจะมีสองกลุ่มด้วยกันเราจะเป็นคนประเสริฐหรือเป็นคนประสาทเราเลือกได้คนประสาทมาถึงคนไม่มีความเป็นระเบียบทา้งกายวาจาใจาและสิง่งแวดล้อมบางทีจัดจนแต่งตัวเท่สวยงามจะไปดูที่บ้านดูไม่ได้เลยลกหลุหลั่ ง, ลงไปหมดแะ อันนี้มีแต่ความเป็นระเบียบสวยงามทางกายทางใจก็ไม่มีทางสีวปลอมก็ไม่มีเราก็ได้ชีวิตมิติเดียวนะราะนั่นเองในลักษณะเช่นนี้มาว่าเราก็ต้องทำกันไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราเพิ่งเริ่มต้นก็ยังดีกว่าไม่มีการเริ่มต้นในต่างชาติบางชาติเขาเริ่มต้นมาเป็นร้อยร้อยปีเขาก็รากฐานวัฒนธรรมลึกมาเป็นพันๆปีเราเอง มันหลักฐานวัฒนธรรมที่สับสนเป็นผีเป็นพราม์เป็นเจ้าเป็นองค์เป็นเทพเป็นพุทธเป็นพรามปุ่นกันหมดมันก็เลยทําให้พัฒนายากค่อยสับสนฉะนั้นแต่เราก็มีศักยภาพสูงคนไทยมีความหลากหลายเมื่อมีความหลากหลายแล้วถ้ามันเป็นขบวนการอันเดียวกันที่ชัดเจนมันก็จะมีพลังแต่ความหลากหลายที่ไร้พลังมันก็เป็นความสับสนวุ่นวายนะ นั้นในการวันนี้ที่จะข อ, อนำเสนอก็คือเรื่องที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าความคิดแต่ละครั้งมันเกิดขึ้นเพราะอะไระความคิดที่ขาดสติพนมาจากลากักเงาอมาจากความหลงก่อนเข้มข้นถ้าไม่หลงมันคิดไม่ได้ถ้าหลงก่อนมันถึงคิดได้แต่ความหลงมาจากความเผล อ, อความเผลอมาจากความเพลิน ความเพลินมาจากความสบายกายความสบายกายมาจากสุขเวทนาที่เราว่ากันเมื่อวานซึ่งคลื่นก็จะเป็นคลื่นใหญ่ได้มันก็คือจากคลื่นเล็กๆกๆส่งทอดกันมาสมมุติความคิดเป็นคลื่นอันดับสุดท้ายคลื่นลำดับต่อมันไปก็คือความหลงความเผลอความเพลิ น, เ, ลนเราก็ต้องมาแก้ไขที่ต้นเหตุของมันนะ ดังนั้นในเช้าวันนี้จะลำดับเรื่องของสภาวะนะที่เรา <c oughs> ผู้เก่าจะต้องเริ่มเข้าเก็บอารมณ์วันนี้สักครึ่งหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็เริ่มเต็มรูปแบบวันต่อไปก็กลุ่มใหม่เริ่มเข้าบ้างตามลำดับของอีเสียงแต่ละคน มาได้กล่าวว่าความรู้สึกที่สบายเนี่ยน่ากลัวกว่าความรู้สึกที่ไม่สบายเพราะความรู้สึกสบายทำให้เราประมาท <c oughs> เพอเลอเลิน <c oughs> เลอได้ง่ายแต่ทาไมคนถึงชอบเสพความรู้สึกสบายเพราะว่าเราไม่รู้จักมั น, นคนทำงานกว่าจะได้รางวัลเนี่ยที่สั่งสมความลำบากมาเยอะกว่าจะได้รางวัลสักอย่างหนึ่ง ความสบายมันเหมือเป็นเหมือนรางวัลถ้ารางวัลที่ได้บ่อยๆรางวัล น, นั้นไม่มีความหมายมันมีค่าอะไรนะแต่รางวัล น, นานๆได้ทีหมายถึงว่าเรามีคุณสมบัติพอที่จะได้รางวัลนะชีวิตนี้มันเป็นที่ตั้งของความทุกข์เราต้องมีจัดแจงความทุกข์ที่เป็นระบบเพียงพอเราถึงจะได้รางวัลคือความสุขนะถ้าเร า, าจัดระบบจัดระเบียบความทุกข์ไม่เป็น ก็เรียกว่าเรายังไม่ได้รางวัลมันยังไม่ถูกระเบียบการจัดระบบความทุกข์ด้านทุกข์ต้องถือว่าให้กําหนดรู้เพื่อเพื่อจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยนะให้มันเข้าระบบของมันนะแล้วมีแสงสว่างใช้ในเป็นรางวัลของกระแสน้ําที่ไหลตลอดเวลาเป็นรางวัลของแสงอาทิตย์ที่ส่องตลอดเวลาเป็นรางวัลจากแรงลมที่พัดตลอดเวลา เป็นรางวัลจากฐานหินที่สังสงอยู่ใต้ดินมานับเป็นหลายๆลร้อยหลายพันปีเอามาจัดระเบียบเป็นกระแสเป็นกระแสไฟแล้วก็จัดระเบียบเป็นกระแสพลังงานไฟฟ้าและจัดระเบียบออกมาจะเป็นแสงสว่างและความร้อนที่สามารถใช้ในครัวนี่เป็นรางวัลของธรรมชาติและอาศัยความฉลาดของมนุษย์เข้ามาจัดระเบียบ ฉันใดก็ดีเนะี่ยไอ้ความากระแสของดินน้ำลมไฟที่มันสร้างกระแสของความทุกข์ในร่างกายของเราเนะี่ยมันก็เหมือนกระแสดินน้ำลมไฟข้างนอกกันแหละเราก็ต้องจัดระเบียบเพราะกระแสของไหลลงแสงสว่างพระอาทิตย์ก็ต้องส่องแสงถ้าดินก็จะต้องหมกหมักตัวอัดควบแน่นในตัวมันเอง ธาตุลมก็พัดตลอดเวลาดินาน้ํำลมไฟทําหน้าที่ของมันตามธรรมชาติชั้นใดดินาน้ํำลมไฟที่รวมมาเป็นในตัวเราก็ต้องทําหน้าที่ออกมาเป็นกระแสอ่าเป็นกระแสพลังงานกระแสพลังงานอนี้นถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนาก็เหมือนเราจะฝึกฝนตนเองให้เป็นวิศวกรพลังพลังงานนั่นเองเพื่อได้จัดระเบียบกระแสของความทุกข์ในกายของเราเนี่ยออกมาเป็นระบบ จัดให้เป็นระบบให้เข้าที่เข้าทางก่อนเรื่องวิสีนจัดกระแสของความทุกข์ให้เป็นระบบเป็นที่เป็นทางเช่นเราจัดระเบียบกระแสน้ำที่มันไหลลงก็โดยการจัดระเบียบด้วยการตั้งสร้างสันเขื่อนขึ้นมาเพราะสร้างสันคขือนขึ้นมาได้สาเร็จที่เข้มแข็งสามารถกักเก็บน้าได้เป็นหมื่นเป็นล้านลูกบาทเมตร ไม่มีพลังเก็บกักไว้ตรงนั้นก็จะมีการจ่ายพลังอย่างเป็นระเบียบโดยการผ่านท่อเล็กๆแล้วไปหมุนฮาร์เตอร์หรือมอนิเตอร์แล้วการหมุนมอนิเตอร์ก็ปั่นเป็นกระแสะไฟจัดระเบียบทางกายเรียกว่าซีนเป็นฮาร์ดแวร์เมื่อการจัดคงที่เหนียวแน่นไม่เกิด พลังไม่เกิดการพังการเสื่อมเป็นพลังสมาธิแล้วปล่อยกระแสน้ำผ่านระบบที่ถูกต้องมั่นคงแล้วออกมาเป็นกระแสไฟฟ้าเป็นพลังของปัญญานะแต่ว่าตัวที่สันเขื่อนพุทธเจ้าท่านเดีดว่าสติเดสังนิวรณังสติเป็นเขื่อนกัน้นไม่ว่ากันกนก้นกระแสของจิตหรือกั้นกระแสของน้ำก็นั้ใช้เขื่อนคือสติ ใ น, นการสร้างสติของเราคือการเริ่มสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนเพื่อกั้นกระแสของความไหลของความเวทนาทางกายที่เราได้รับการกระทบมาจากภายนอกเหมือนเม็ดฝนที่ตกลงมากระทบทางหกทางตลอดเวลาลรูปกระทบมาทางตาเสียงกระทบมาทางหูกลิ่นกระทบมาทางจมูกสัมผัสกระทบมาทางกาย ลดกระทบมาทางลิ้นและอารมณ์กระทบมาทางจิตเปรียบเสมือนเม็ดฝนตกกระทบตลอดเวลาฝนภายนอกยังมีฤดูกาลแต่ฝนภายในมันตกตลอดเวลาไม่มีฤดูกาลนะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นพลังมหาศาลมากๆนะพระพุทธเจ้าท่านค้นพบพลังอันนี้ว่าคุณต้องสร้างเขื่อนคือสติและก็ มีความเหนียวแน่นของเขื่อนคือเสริมเหล็กเรียกว่าสัมปชัญญะสติอย่างเดียวเหมือนเนื้อก้อนปูนทั้งก้อนนี่แหละโดยมีสัมปชัญญะคือใส่เส้นเหล็กมากมายสานกันเข้าไปจนกระทั่งมันมันม่นคงสามารถสกัดน้ําไว้อยู่เป็นสมาธิละเพราะฉะนั้นในตัวที่เราต้องสร้างพลังของความรู้เนี่ยเพื่อเอาไปจัดระเบียบกาย ระเบียบใจให้ได้นะถ้าหากว่าเราสร้างความรู้สึกตัวแต่ว่าจัดระเบียบอายระเบียบจิตไม่เป็นนะความรู้สึกตัวนั้นก็ไม่ถูกต้องเหมือนเราผสมปูนไม่สุกส่วนเอาไปสร้างเขื่นไม่นานก็พังนะเขาก็าจะมีสตง็งมีอัตราส่วนของเขาว่าผสมอัตราส่วนเท่าไหร่มันถึงจะมีความเข้มแข็ง ชันใดก็ดีสติสมญาตที่เราฝึกเนี่ยความรู้สึกตัวเรามาจัดเป็นระเบียบเป็นชั้นชั้นแรกให้จัดระเบียบที่กายเรียกว่ากายานุปัสนาและในระบบกายานุปัสนาเองท่งานก็แบ่งเป็นระบบย่อยลงไปอีกเหมือนสัมปชัญญะเป็นใส้ในข้อมันตั้งแต่ระบบลมหายใจระบบอิริบท4ยืนหรือนั่งนอนระบบอิริบทย่อย ผู้เหยียดเคลื่อนไหวระบบนะแยกธาตุดินน้ำดูไฟเห็นเป็นสัด ส, ส่วนนะระบบอาการสาสบสองตัวถักสารนะตัวถักสารเหล็กก็นอกจากตั้งเป็นเสาขึ้นแล้วนี่จะต้องมีตัวถักสารให้แน่น่นะาตุสี่มันตัวเสาหลักอาการไซบิซองมันตัวถักสารมัดเหล็กให้แน่นสารกันเข้าไปนะแล้วในส่วนที่ หกก็คือส่วนไหนที่มันจะทําให้เสื่อมสุดก็ต้องอุต้องยาต้องทำให้ดีนะเรียกว่าระบบในส่วนนั้นมันจะต้องมีทั้งส่วนที่จะทําให้เสียหายต้งตรวจสอบเรียกว่าอสุภะทั้ง6ระบบด้ยกันทางกายเฉพาะสันเขินเวทนามีสมนะเวทนามีสาม สามก็มาแยกเป็น9ที่เราสวดโดยที่มีสุขเวทนาใช้ได้ไหมเขินที่กอนแล้วนมันคงดีไหมส่วนไหนที่เป็นจะมีความแปลปวนอาจจะซึมมาเ จ, จรุดตรงไหนเป็นทุกขเวทนาต้อได้รับการอุดการยาและส่วนไหนที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องอาทุกขมาสุขเวทนาในส่วนไหนที่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดความเสื่อมสุด ต้องเฝ้าระวังต้องเสริมนะเป็นระบบของเวทนาะระบบของจิตเป็นสิบหกนะตั้งแต่จิตมีราคาหนึ่งจิตมีราคาสองจิตไม่มีราคาสามจิตมีโทสะสี่จิตไม่มีโทสะห้าจิตมีโมหะหกจิตไม่มีโมหะเจ็ดจิตฟุง้งซ่านแปด จิตหดหูเก้าจิตที่ได้อารมณ์สิบจิตที่ไม่ได้อารมณ์สิบเอ็ดจิตที่มีจิตอื่นแทรกสิบสองจิตที่ไม่มีจิตอื่นแทรกสิบสามจิตที่มั่นคงสิบสี่จิตที่ไม่มั่นคงสิบห้าจิตพ้นจากปัญหาสิบหกจิตที่ไม่พ้นจากปัญหาเฉพาะจิตมีถึงสิบหกระบบบก็มาติดตั้งเข้ามาเป็นตัวกระแส ปล่อยกระแสน้ำถ้ามันคงแล้วก็ปล่อยกระแสน้ำตามท่อแล้วมาทำมานุปัสสนาก็คือกระแสน้ำต้องไปทำหน้าที่ต่างๆแล้วจะเป็นกระแสะความสว่างกระแสของอิเล็กทรอนิกระบบต่างๆเป็นหมืน่นเป็นแสนระบบนั้นเลือกทามานุปัสสนาก็จะมีตัวนิวรณ์ตั ว, ว, อ, 5, ตวอุปท า, านขันทั้งหตัวยตนาหตัวพุทธชงจิต ตัวนี้มากมีองแปดย่อยเข้าไปอีกซึ่งซับซ้อนมากนะอันนี้ระบบทางอาจดัดระเบียบทางกายทางจิตทางกายทางจิตเนี่ยเรียกว่าสติปัฏฐานซึ่งทุกสิ่งทอย่างมันถ้าว่าตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีหลักการที่ยืนยันได้หมดมันมั่วไม่ได้บางคนไม่ชอบปริยัตินั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะเขาจะชักจูงไปทางที่มันผิดง่ายเพราะไม่มีหลักการรองรับยืนยัน แต่ไหนมันมีทั้งหลักการมีทั้งสภาวะรองรับยืนยันอันนั้นมันเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมซึ่งพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วนํา ม, มาเผยแพร่สองสามพันปีทฤษฎีนี้ไม่มีใครที่นักวิทยาศาสตร์คนไหนที่จะลบล้างได้เลยมีแต่นักวิทยาศาสตร์จะไปขยายส่วนมากขึ้นเท่านั้นเองนะนทฤษฎีพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้น่ะเป็นทฤษฎีที่เป็นอมาตาออะอวบนเาเรียกว อ, อมาตะธรรม เป็นสองสามพันปีไม่เคยมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนจะคัดค้านทฤษฎีนี้ไดนะ้เพราะฉะนั้นเองเราก็จะต้องรับรู้ทั้งสองส่วนคือหลักทฤษฎีวิชาการหรือว่าปริยัติและหลักประมัิคือหลักที่จะต้องลงมือทำให้สัมผัสความเป็นจริงนั้นด้วยตนเองมันไม่ใช่เพียงหลักการหรือทฤษฎีแต่ว่ามันจะต้องเป็นจริงด้วยนะ อันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราต้องรับรู้ในส่วนต่อมาที่อยากจะเน้นเป็นหลักในเรื่องเช้าอันนี้ก็คือความคิดเป็นเรื่องที่ปลายเหตุเป็นผลนะความคิดเป็นผลเรืในผลมันจะดีจะเสียจะถูกจะผิดจะสุขจะทุกข์จ ะ, จะอบุญจะบาปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่เหตุนะไม่ขึ้นอยู่ที่เหตุของมันว่า ความคิดก็เป็นพลังงานเป็นปผัิตเป็นผลดอกมาละผลิตอันนี้จะใช้ได้ไม่ได้ก็ อ, อยู่ที่เหตุของมันว่าออกมาเป็นในส่วนที่สบายก็เป็นผลิตอันนึงออกมาเป็นส่วนที่ไม่สบายก็เป็นผลิตอันนึงเป็นผลผลิตของเหตุท่างได้กล่าวแล้วว่าความคิดต่างๆเนี่ยมันออกมาจากความหลงและความรู้ความคิดใดที่ออกมาจากความหลงก็ ม, ง ม, มีต้นเหตุมาอีกแบบหนึง่ง ความคิดใดที่ออกมาจากความรู้ก็ここมีต้นเหตุมาอีกทางหนึ่งมีซอสมีที่มาไม่ไม่ไม่เหมือนกันต่างซอสต่างแหล่งที่มาเรามีวิเคราะห์ดูว่าความคิดที่ออกมาจากความรู้เนี่ยกับความคิดที่ออกมาจากความหลงมีผลต่างกันอย่างไรแต่ที่เราต้องการคือต้องการความคิดที่ออกมาจากความรู้เราเรียกว่าว่าญาณปัญญา ความคิดออกมาจากความหลงเราเรียกว่ากิเลสและตัณหานะเพราะฉะนั้นเราได้รับประสบการมาตลอดชีวิตว่าความคิดที่ออกมาจากความหลงหรือความไม่รู้เนี่ยมันเป็นโปรดักที่สร้างเป็นพิษภัยต่อชีวิตอย่างมากมายที่ทาให้ชีวิตของเราตกต่าเศร้าหมองเจ็บป่วยขาดทุน เราก็รับความเชื่อมเสื้อต่างๆอันเป็นผลมาเป็นผลักที่มาการดำดับที่มาไม่ดีนะแต่ความคิดใดที่ออกมาเจริญขึงความรู้เราได้รับผลพวงจากมันคือความสุขความสบายความผ่อนคลายความมีเกียรติยศชื่อเสียงความมีความมั่นคงทางด้านทรัพย์สินความมีมั่นคงทางด้านชื่อเสียงและมีความสุขความสบายเป็นที่เคารพนับถือของสังคม ก็มีโปรดักต์มาอีกแห่งหนึ่งนะัณนเองเราก็มาสืบดูต้นตอของมันเพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตรัสว่าแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสได้ตรงและสาวกของท่านกล่าวว่าเยธรรมาเหตุปภะวาเดสังเหตุตุนตถาคโตเดสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนซึ่งเป็นคาถาที่รู้จักกันมา เป็นที่กล่ า, าวขานกันว่ามีกําลังเป็นคาถาของพระอาชาชิที่ท่านเป็นอาจารย์ของท่านพระสัลีิบุตรซึ่งริมันก็ยาวนะแต่สืบสั้นๆว่ า, าเมื่อพระสัรีิบุตรหรือตอนนั้นเป็นอุบัยสกชื่อว่าอุปติสัยแสวงหาผู้รู้แสวงหาการณมิตรหลายสำนัก มาหลายปีแต่ไม่ไม่พบผู้รู้ไม่พบกัยนะียรณมิตรที่ถูกใจที่โดนใจนะเพราะสมัยนั้นก็มีนักบวชเยอะเหมือนอย่างทุกวันเนะี่ยมีนักบวชเยอะแต่จะพบนักบวชที่ที่โดนใจสักคนหายากนะฮะใวันหนึ่งท่านนะพบท่านพาชิชิซึ่งได้รับการประกาศให้ออกมาเผยแพร่พุทธศาสนาต่ยุคแรก หท่านคือเป็นเย้าว่าีทั้งห้ารวมถึงพุทธองค์ด้วยก็เป็นหกท่านชุดแรกที่เสด็จในหกท่านท่านก็บอกว่าท่านทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นของเป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์ท่นท า, าทนทั้งหลายจงเที่ยวไปสู่บ้านน้อยเมืองใหญ่สู่คามริคมอย่าเที่ยวไปในทางเดียวกันถึงสองคนให้ออกไปคนละทางอืม จึ่งท่านตัดเป็นเรือกเป็นหลักการเบื้องต้นนะ่ะนะเจริฐะิกเวจาริกังพระหุชนะสุขายะปงชนะหิตายะโลกานุ ก, กัมปายะเทวะมนุษยานัง่งอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นที่สุดที่พระองค์ตัดเอาไว้ตอนที่สั่งสาวกออกไปเผยแพร่ทีนี้ท่านพระอาจารย์ชีน้นีออกไปทางอเมืองราชคือก็อไม่ใช่เมือง สวัฏถีหมู่บ้านนารันทะคำนะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่พระอ克拉สวกที่สมัยนั้นเป็นเครือข่าชื่อว่าอุปติสะกะัลโลกโกลิตะอุปติสต์ออมาคือภาษาลิบุตรโกลิตะต่อมาคือพระมหาโมคคลานะนั่นเองเนียเมื่อท่านอุปติสม ก, กับท่านโกลิตะแสวงหา การยานมิตรและครูอาจารย์มานานแต่ไม่พบแต่เลยในที่สุดก็สัญญากันว่าเราไปหาคนละทางกันแล้วกันถ้าหากใครพบก่อนก็บางบอกนะไปหาคนละทางในที่สุดวันหนึ่งที่ท่านอุปติสะเดินอยู่ในหมู่บ้านก็เหลือไปเห็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนารูปหนึ่งเนี่ยก็เป็นนักบวชเนี่ยแหละยังไม่มีสัญลักษณ์ว่าเป็นพุทธหรือเป็นพาเป็นนักบวช ใส่ชุดไหนก็ได้เรายัางไม่มีหลักฐานปรากฏชัดก็เห็นท่านเดินสงบสํารวมซึ่งต่างกันนบนักบวชทั่วไปเดินไม่สํารวมนะเดินสํารวมสงบโดยนี้ไม่ได้ดูว่าใครจะใส่บาตรหรือไม่ใส่บาตรมุ่งเหมือนเดินจงกรมในที่สุดท่านก็ไปกระทบความรู้สึก ข, ของท่านออสมณะทุกนี้เดินแปลกกว่าคนอื่นก็ติดตามไป ติดตามไปถ่านขา้าระขั้นจะเข้าไปถามความสงสัยหลักการอะไรต่างในขณะ น, น, นั้นก็ดูเหมือนว่าไม่เหมาะเป็นหลักการของอุบายสุขที่ดีก็เลยตามไปห่างๆนะกล่าวว่าเมื่อท่านเดินจาริกบิทบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าไปสุนทนาพูดคุยด้วยก็ตามตามไปจนกระทั่งท่านทําภารกิจเสร็จ การทำพัทกิจเสร็จก็เข้าไปถามว่าท่านมาจากที่ไหนมาจากสำนักของใครใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านอาจารย์ของท่านสอนว่าอย่างไรถามอย่างนี้พระอาชาชีก็ลักษณะถ่อมตนว่าเราเป็นผู้ใหม่เพิ่งออกมาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นการตอบปัญหาโดยละเอียดตามคาถามของท่านอาจจะไม่ครบถ้วน นะฮานุปติสะถึงฉลาดในเรื่องนี้ก็บอกว่าไม่จำเป็นว่าคุณเจ้าเอาแต่สาระสำคัญสั้นๆได้ใจความก็พอแลวอืมเขาก็บอกว่าครูบาอาจารย์ของเราคือสมณะสักยะบุตรอยู่ที่อนุปิยอัปพวันอตอนนี้แล้วก็ท่านก็สอนเราเสมอว่า เยธรมาเหตุโกบาดเดสังเฮตุมทัถาคาโตเดสัญจะโยนิโรโถจะเอวังวาทีมหาสมมโนว่าอาจารย์ก็เราสอนว่าสิ่งทลายทั้งปวงเนี่ยนันมีเหตุเป็นที่เกิดไม่มีอะไรในโลกนี้เกิดโดยบังเอิญมันต้องมีที่ไปที่มาแต่เราไม่รู้จักเหตุเราเเก็จะไปเรียกว่าบาังเอิญแต่พอเรารู้จักเหตุแล้วทุกอย่างมีที่ไปที่มาเพราะฉะนั้นเราจะทําดีก็ทําเหตุให้มันดี ถ้าเราทำเหตุไม่ดีสิ่งนั้นก็ออกมาไม่ดีเป็นความทุกข์แล้วถ้าสอนอย่างนี้เสมอแค่นี้แหละเนื่องจากท่านเป็นคนแสวงหาแล้วท่านฟังแค่นี้ท่านเข้าใจเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมคือเข้าใจเข้าใจแล้วก็ต้องการพบอาจารย์ของท่านผู้นี้เนื่องจากท่านผู้นี้ยังเป็นผู้ใหม่อาจจะอธิบายได้ลึกหรือรายละเอียดต่างๆก็อยาก้พบกันแต่ก่อนจะไปพบ อาจารย์ของอาจารย์อของท่านคือพอระเจชิหมายถึงพระพุทธเจ้าสกนตสมณสั ก, ส ก, สกยบุตรเนี่ยก็นึกถึงเพื่อนว่าเราสัญญากันว่าถ้าเราได้พบครัอาจารย์ที่ถูกใจแล้วต้องมาบอกกันเลยเลยไปตามหาเพื่อนก่อนเพื่อนไม่รู้ว่าอยู่หมู่บ้านไหนอยู่เมืองไหนตามไปจนเจอเพื่อนแล้วก็บอกข่าวเรื่องนี้เพื่อนก็สนใจก็ติดตามไปด้วยกัน นะไปด้วยกันก็พรองก็สอนทั้งสองท่านเนี่ยเป็นชุดแรกนะถัดจากมรรจวกขีทั้งห้าเมื่อให้อรุรมไปเจ็ดเจ็ดวันให้อรุรมวันแรกก่อนอรุรมวันแรกเข้าใจแล้วใน ชุดแรกเนี่ยท่ poder, านโมคลานะบอกว่าสิ่งที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งสุขุมคำพิลภาพเพราะนั้นไม่สามารถที่จะทำแบบธรรมดาได้แต่ขอปลีกวิเวกสัก7จวันลองไปทำดูที่ท่านว่าไหมก็ไปนั่งทำสมัยนั้นคงจะใช้อนาปานสติคือนั่งอย่างไรก็หลับนั่งอย่างไรก็หลับหลับเป็นวันที่หกนั่งอยู่ในบนไหนก็ ดูลมหายใจไปเดี๋ยวก็หลับสมัยนี้เราเรียกว่าเข้าฌานแต่สมัยนั้นเรียกว่าหลับความจริงคือนั่งหลับนี่แหละแต่ว่าเรียกให้มันโก้หน่อยว่าเข้าฌานหลับจนสบายเราเ อ, อถึงเข้าฌานที่สี่ว่างั้นในชีวิตเข้าไปเข้ามาจนอ่อนปวกเปียกหมดจิตว่าจิตคนที่นั่งเข้าฌานหลับนานๆนี่ก็จิตที่จะอ่อนหมดพลังพวกนี้ก็จะหลบนะพวกหลับนี่ชอบหลบอารมณ์จะไม่ชอบสู้อารมณ์ อะไรมูนวุ่นวายไม่สบายฉันหลบก่อนนะไม่เผชิญนะรู้สึกทุทกนี้วุ่นวายฉันหลบเข้าห้องไปนั่งดีกว่าสบายเข้าฌานตอยเอามาเห็นหลายคนจนหมดสภาพสติสมิย่าหมดเลยนะเหลือแต่ความกระเปาะกระปะอะไรก็ไม่รู้นะแต่เขาก็เรียบร้อยเป็นคนดีนะแต่จิตอ่อนเพราะนั้นเองเมื่อไปนั่งถึงวันที่หกพระที่เจ้าก็เลยเดินมาแอบดู แต่ะจะเพื่อจะกล่าวเป็นภาษาที่น่าเลื่อมใสหน้อยว่าผู้ทีเจ้าทรงเล่งยานดังภาษาพราม์เมื่อสาวกแยกไปแล้วเป็นวันที่เจ็ดท่านก็เล็งยานดูว่าใครไปตรงไหนแต่คงจริงก็เดินไปจงกรมไปดูขนาดนี้นจะไปว่าก็ถูกตรงอยู่เปเรื่อยไปใช่ไหมอันนี้เราไปยกย่องศาสนาจนเลอเลิอจนโอโหยกเป็นพระเจ้าไปเลยก็ไปเดินจงกรมอยู่ห่าง ก็ไปเห็นนั่งสปปะงุงแล้วสปปะโพกอีกมาท่านก็งคงจะดูของท่านทุกวันนั่นแหละแต่ว่าเอาสู้ให้ถึงที่สุดก่อนเมื่อถึงที่สุดมันไม่ไหวได้ในวันที่เจ็ดท่านก็บอกเข้าไปขณนะนั่งหลับนะท่านก็ไปสะ ก, กิดนะโมคลานะเดินทางลุกขึ้นนะอย่าไปนั่งอยู่กับที่เวลามันง่วงลุกขึ้นไปปลุกระบบประสาทให้ตื่นขึ้นลืมตากว้าง เอาอะไรมาปั่นหูเล่นให้ปุกประสาทขึ้นมองไกลๆดูใบไม้ใบหญ้านให้ก็ทําทำแล้วก็กลับไปนั่งก็ง่วงอีกอา่า น, นก็ไปสกีดใหม่อลูกขึ้นเดินชมกลมเดินสักพักหนึ่งกลับไปนั่งก็ลับอีกอา่อานว่ากันไปไปล้างหน้าไปล้างหน้ากลับมาสักพักก็หลับอีกะ แก่อยู่ทั้งสิบประการประการที่สิบเนี่ยคือบอกท้าอย่างนี้ไปนอนเลยประการสุดท้ายแต่มีข้อแม้ว่าต้องนอนแต่แคงขวานอนแบบสีหายายต้องน้นต่แคงขวาแต่ถ้าหากว่ามันรู้สึกมันรู้สึกตื่นขึ้นแล้วก็ตื่นเลยนะอย่าไปนอนต่อนะแทนกระบอกเราก็เดินจากไป บอกถึงสิบครั้งบอกถึงสิบอย่างนะมันไม่รู้ไม่รู้ก็ปล่อยละทีนี้ว่างเี้ยหมดหมดหมดวิชาแล้วว่างเง้เถอะพระโมโคลนานะก็นอนเอาเทา้าซ้อนก็ตามที่ท่านบอกเอามือขวาศีส ะ, ะ, ะ, ะวางบนมือขวาแล้วก็ตั้งสติดูสักพักเราแล้วเป็นไงก็หลับอีกนะ พอเผลอหลับที่นี่ด้แลหน้าสะบึกลงที่ดินนะข้างหน้าคงจะเป็นหินเว็นอะไรไม่รู้นะตื่นโพระงคขึ้นมาแล้วไม่รู้หน้าท่านแตกเลประวัติไม่ได้บอกนะตื่นโพระงขึ้นมานะควิชงวิอวิชาทั้งหลายที่ครอบงำมาเจ็ดวันแล้วเบิดเลยนะปึง้งขึ้นมาสว่างวับเหมือนกับฟ้าแลบไปทั้งอ่าดูทั้งท้องทั่วฟ้าเลยว่าเราก็เลยมูตาลายวุ่นตาตาสว่างเลยว่างั้นเถอะตาเกิดดาวกระจายเลยวะนะ สว่างวาวขึ้นมาเออเหมือนกับตื่นขึ้นมาอย่างเต็มที่เลยนะแล้วท่นบอกอวิชชาที่สั่งสมมาหลายพบหลายชาติมันถึงการระเบิดมันอัดเต็มที่แล้วอะพอกระทบปั๊บมันมันแตกระเบิดบรรลุธรรมในวันนั้นเลยนะบรรลุธรรมในวันนั้นเป็นที่เล่าขานกันต่อมาว่าพระพุทธเจ้าเอาเรื่องนี้ไปเล่าเป็นตัวอย่างกับพระ เวลาแก่ง่วงกับพระเนี่ยยกพระสารีบุตรเป็นตัวอย่างก็มีพระบางองค์สงสัยว่าเอ๊ะทำไมท่านง่วงขนาดใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นก็จะไม่ง่วงได้ไงพวกนั่งสมาธิมาทั้งหลายภบหลายชาติพระนเป็นถึงมหาฤาษีสมัยชาติเดก่อนอ น, นะชาติเดิมก่อ น, อนบรรพบุรุษเป็นมหาฤาษีสืบอเข้ามาทั้งหลายช่วุณ เพราะนั้นไอ้ตัวที่นั่งสมาธิที่มันเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยมันก็กดทับกดทับกดทับกดทับกดทับจิตมันจะคิดไม่ให้มันคิดอ่ะกดเอาไว้ด้วยพลังสมาธิลักษณะ น, นี้ก็เรียกวบเพ็ญตบะสะกดจิตนะแต่เมื่อมันถูกสะกดเอาไว้เหมือนจิตได้สําสนึกอ่ะมันถูกกดเอาไว้เวลาจะมานั่งสมาธิไอ้สิ่งพลังความสงบความสะกดมหาศาลก็ออกมาครอบงําจาก ตัวที่เป็นจิตตื่นรู้ที่เป็นไม c ์คอนเชียสออกมาเป็นตัวซับคอนซะับคอนเชียเนี่ยมันก็ครองามข้อไมค์คอนเชียตไมค์คอนเชียตที่ตื่นตื่นรู้ซนะับคอนเชียตเนีนะ่ยตื่นไรจิตไรสำนึกจิตใต้สานึกที่มันไม่ตื่นที่มันจะเผย อ, ออกมาเป็นความคิดทุกครั้งที่เราเผตัวเนี้ยดยไอ้ซับคอนเชียคือจิตไรสานึกก็จะออกมาทาหน้าที่พอจิตรู้สานึกปับ๊บมันก็ไปมีกำลังไปบงัง ไปบางตัวจิตไร้สำนึกทุกครั้งเนี่ยที่เราเผลอคิดก็ไมายคืออุดโน้นแหละที่เรากดมันไว้แหละเพราะนั้นคนที่นั่งสมาธิมากๆเวลาเผลอคิดก็เผลอคิดได้ง่ายเพราะอะไรมันกดแล้วมันก็ยิ่งกดมันก็ยิ่งดันยิ่งกดมันก็ยิ่งดันเพราะในการนั่งสมาธิสะกดจิตทุกครั้งเนี่ยก็คือการกดการทํางานของกระแสเกิดกระแส ด, ดับนั่นเองเพราะกระแสเกิดเราทาหน้าที่มันออกมาเป็นพลังงานทางความคิดทางพลังงานทางกายทางจิต ทีนี้ก็เมื่อมันถึงการระเบิดออกมาอย่างนั้นมันจิตสับคนเชื่ทั้งหลายเหมือนเป็นอวิชาเป็นแหล่งเอามามักจะสมมุติว่าเป็นกล่องดำของชีวิตเพราะมันเป็นตัวซึมซับเอาการเคลื่อนการอาการทั้งหมดของชีวิตไว้แต่ละเวลาเมื่อเครื่องบินตกในสิ่งแรกที่สุดเขาค้นหาคืออะไระ black box เนี่ย คือกล่องดำเนี่ยเพราะอะไรมันได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของการบินไว้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ว, ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเน่ยคนสร้างเขาก็ผลิตตัวนี้ขึ้นมาชีวิตของเราก็จะมีตัว sub conscious เป็น b l บ็อก o x เป็นกล่องดําเป็นหลุมดําของชีวิตคือ sub c o n s c i o u ถ้าเป็นจักรวาลแล้วว่าหลุมดําแต่เป็นชีวิตเราเรียก ว, ว่า sub c o n s c i o u คือจิตใต้สํานึกจิตไร้สํานึกซึ่งนักวิทยาศาสตร์เพิ่งมาค้นพบเรื่องนี้ในสมัยซิกมันฟลอยน์เองใช่ไหมทฤษฎี psychology ของนั้น ชิม้มวัตลอยเพื่อมาคนพบจิตได้สํานึกแล้วเข้าใจว่าชิม้มวัตลอนี้เป็นพระโสดาบันนะถึงได้คนพบเรื่องนี้มาอ่านหนังสือแก้วโอ้คนนี้เป็นพระโสดาบันเขาพูดถึงเรื่องจิตทั้งนั้นเลยก็เมื่อท่านพระภิกษุทั้งหลายได้สืบถามเรื่องนี้ปับ๊บพระพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านได้สั่งสมเรื่องนี้มา หลายพบหลายชัดดังนั้นเมื่อท่านบรรลุธรรมแล้วสิ่งที่กําลังของท่านที่มันเป็นตีแต่ซึมมันเกิดไปจิตรู้สมนึกเป็นพลังทั้งหมดเลยท่านจึงมีฤทธิ์มากเนี่ยตัวสมาธิเป็นวิสัยี่พอได้เจอสมาธิทิฏฐิแล้วมันเปลี่ยนเป็นฤทธิ์สมาธิมากๆเนี่ยเป็นเป็นฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระสาริบุตรก็เป็นผู้เลิศในทางฤทธิ์ก็เป็นเขาเรียกวเป็นคนทํางานอันในฝ่ายซ้ายของพระพุทธเจ้าก็หมายถึงว่า ไปสมัยนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่มีฤีดมีเดชมากอ่ะเพราะว่าการฝึกฝนแบบพราม์แบบฮินดูเนี่ยเขาต้องการให้มีฤีดเดชมากกว่ากําลังปัญญานะนั้นเองก็เจ้าหน้าที่ไหนที่แข็งขืนไม่ลงด้วยเมื่อฟังแล้วก็มีการต่อสู้มีการขัดแย้งอะไรที่รุนแรงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้พระสารีบุตรทาหน้าที่ตรงนี้นะปรับด้วยวิธีการต่างๆนะ ด้วยวิธีใดเราก็ไม่รู้นะแต่คงไม่ใช่วิธีที่เบียดเบียนะ่ะวิธีให้ยอมอะ่ะทำไงก็ได้ให้ยอมฟังบางพวกก็ไม่ยอมนะบางพวกอาจารย์ยอมลูกศิษย์ไม่ยอมบางพวกลูกศิษย์ยอมอาจารย์ไม่ยอมก็ท่านก็มีศัตรูเยอ ะ, อะในที่สุดอะ่ะเพราะว่าบางทีไปทาใ ห, ไให้ไม่ให้ทุกกลุ่มยอมรับท่านได้บางกลุ่มเขาก็ไม่ยอมรับก็กลายเป็นศัตรูกันต่อมาทีนี้สาหรับพระสารีบุตร จิวั น, วนแล้วยังฟุ้งซ่านอยู่เลยนะพเพราะเพ่นคนฉลาดมากูเปรียบเทียบผูดได้ย้าจัดอะไรท่านก็แย้งๆยงยงยงแยงหมดเอามาคิดแล้วก็แย้งมาคิดก็แยง้งมาเห็นด้วยเพราะท่านเป็นคนฉลาดฟังมามากผ่านมาหลายเจ้าและที่หลายอาจารย์ในที่สุดเป็นวันที่สิบสี่จากการบวชลุงของท่านชื่อว่าทีขานคะนามสกุลว่าอคคิเวสนาโคตเะ ทีคานาะคิเวสนาโคตซึ่งเป็นลุงของพระสิริบุตรวัดตั้บุติาตาตลุงก็หลานคนนี้เขาจะพบปะสนทนาธรรมกันเสมอเพราะลุงทีคานขาขะเนี่ยเป็นเจ้าลทัทธิอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะก็ตามหาหลานเอ๊ะมันหายไปไหนทั้ง10กว่าวันทั้งบุตรีได้เจอสนทนาธรรมกทุกวันไปบ้านไหนเมืองไหนตามหาซื่อไปสื่อมาบอกว่าหลานคืออุปติสสะเนี่ยไปบวชอยู่กับพระสมราคโคดม สำนักขุดธรมก็ตามไปที่อนุปยอัมพวันเสร็จแล้วก็ไปถามในช่วงนั้นเป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงต้นฤดูร้อนเห็นพระสารีบุตรถวายการอุปถัภาพพุทธเจ้าอยู่ก็เข้าไปถามไปถามพุทธเจ้าถามสมณะักยบุตรว่า ท่านสอนอย่างไรตามพุทธิโอ้เราผมคุยกับหลานคนนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันไม่เคยยอมผมเลยนะแต่ท่านมีอะไรดีเอาเข้ามาบวชได้เนี่ย อ, อ่าเอาท่าสอนเขาว่าไงอพุทธเจ้าก็ถามเราบรีที่สี่ของผมว่าสิ่งไหนถูกต้องก็สิ่งนั้นต้องถูกใจสิ่งไหนสิ่งถูกใจสิ่งนั้นคือถูกต้องสิ่งไหนไม่ถูกใจสิ่งนั้นไม่ถูกต้องสิ่งไหนไม่ถูกต้องสิ่งนั้นไม่ถูกใจอันนี้คือคอนเซปต์ โอ้โหท่านชัดเจนมากเลยนะเอาท่านแน่ใจอะ่ะผมมั่นใจมากอ่ถ้าสมมุติถ้าท่านมีศัตรูคนหนึ่งถ้าศัตรูของท่านตามล่าฆ่าท่านเนี่ยถ้าได้ฆ่าท่านเนี่ยถูกใจเขามากเลยคุณว่าศัตรูของคุณเนี่ยทําถูกต้องไหมเออไม่มีใครถามย้อนแบบนี้เลยนะเอถ้าท่านเขาได้ฆ่าคุณเนี่ยเขาจิ้สึกพอยยิ่สูงมากเขาว่าคุณคิดว่าเขาทําถูกต้องไหม จักไม่ตอบแล้วทีนี้กูเสียเหลี่ยมเนาะก็ถามเรื่องอื่นต่อไปนะถามเรื่องอื่นถูกพระที่เจ้าตอบได้หมดในที่สุดไปไม่รอดในที่สุดพระเจ้าก็สือว่าสิ่งที่คุณสอนเนี่ยมันไม่ใช่สัจธรรมมันเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกมันไม่ใช่อมตะธรรมแต่ว่ามันเป็นสมมุติธรรมมันเป็นเรื่องของรูปไม่ใช่เรื่องของนามล้วนๆเป็นเรื่องของนามมารูปในความรู้สึกของคุณนะนะ ดันงนั้นคนที่เขามีอำนาจพลังอำนาจเหนือกว่าเขาเป็นความถูกต้องเ้าหมดเลยไอ้คนที่ไม่มีพลังอำนาจมันจะมีเหตุผลดีขนาดไหนก็เป็นคนผิดหมดสิอย่างเราทุกวันนี้ใช่ไหมใครถืออาวุธมีอำนาจค น, น้นก็ถูกต้องประชาชนจะถูกต้องขนาดไหนก็ผิดหมดนะต้องทําตามคนมีอำนาจอันนี้และทีนี้ก็ย่างสิบทอดมาจานถึงปัจจุบันนะไม่ใช่ธรรมดานะละทีของทีาคณะเนี่ทุกคนนี้เรายอมรับทฤษฎีของพุทเจ้าได้น้อยมากาผู้มีอำนาจอย่างหลายก็ใช้ทฤษฎีของใคร ที่านาัาอาคิเว ส, สนาโคตพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นเพียงเวทนามันไม่ใช่ความถูกต้องถ้าอย่างนั้นลทัทธิของคุณถ้าอ ย, อยู่อย่างนี้ก็หมายความว่าคนดีมีคุณธรรมทั้งหลายที่เขาไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจทางทรัพย์สินไม่มีอำนาจทางวุธเนี่ยเขาก็ถูกเบียดเบีย น, ยนถูกทําร้ายแล้วโลกมีจะอยู่กันได้อย่างไรถ้าไม่ถือความถูกต้องเป็นหลักไอ้คน อาชัวมีอาวุธมีทรัพย์สิสนมีพลังทรัพย์สินเท่าไหร่มันโกงมันกินมาเนี่ยเป็นครอบงำข้อบอคนดีไปหมดแล้วโลกมันจะอยู่ได้ไงเพราะทฤษฎีของคุณผิดโดยชิ้นเชิงแล้วฉันก็ไม่แน่ใจว่าทฤษฎีของคุณมันจะยืดยาวไปสักอีกกี่กีก่กกกกพันปีปัจจุบันนี้ยังอยู่ใช่ไหมเออมันทําให้ประเทศชาติในโลกนี้ด้อยพัฒนามหาศาสตรก็พิธีของทฤษฎีของทีคานะคะอคิเวศนาโคดนั่นเองในที่สุดเขาก็ย้อนถามผู้ที่ชา ว, าว่าเราท่านสอนอยังไง อ๋อเราสอนถึงเรื่องว่าเวทนาทั้งสามความถูกใจคือสุขเวทนาใช่ไหมใช่ความไม่ถูกใจคือทุกเวทนาใช่ไหมใช่ความที่ไม่แน่ใจเนี่ยเป็นอนทุกขมสุขเวทนาใช่ไหมใช่พุทธเจ้าก็ลำดับไปเรื่อยๆ อ, อ, อย่างที่เราสวดใช่ไหอสุขังเวทนังเวทียมามโนสุขังเวทนังวิทยามีาาติปัฏฐานติ เมื่อมีความรู้สึกสบายก็ให้รู้มันชัดๆว่าอันนี้คือความรู้สึกสบายนะความรู้สึกสบายนี้ไม่ใช่เรานะมันคือความรู้สึกชนิดหนึ่งทุขังเวทนางเวทียมโนทุขังเวทนางเวทียามิติปัชชะนัติเมื่อความรู้สึกไม่สบายเกิดขึ้นให้รู้มันชัดๆว่านี่คือความรู้สึกไม่สบายนะความรู้สึกไม่สบายนี้ไม่ใช่เรานะมันคือความรู้สึกชนิดหนึ่งเป็นปฏิริยาของการเกิดดับความรู้สึกสบายเป็นภาวะของเหตุใกล้ของการดับ ความรู้สึกไม่สบายเป็นเหตุกล้ๆของการเกิดเมื่อการเกิดดับทำงานอยู่โดยธรรมชาติก็ต้องมีความรู้สึกสองประเภทนี้ขึ้นและมีความรู้สึกบางอย่างที่คุณตามรู้มันไม่ทันเรียกว่ า, าทุกขความาสึกเวทนาเป็นเวทนาที่ไม่แน่ชัดว่ามันเป็นอะไรนะพระพุทธเจ้าเ็แจ้งเรื่องนี้ไปเพราะนั้นในเวทนานะั้นมีทั้งเก้าใช่ไหสุขธรรมดาสุขที่มีเยื่อสุขที่ไม่มีเยื่อสามใช่ไหม ทุกธรรมดาทุกที่มีเหยื่อทุกที่มีเบีเยร์หกเลยใช่ไหมความไม่แน่ใจที่ธรรมดาความเรื่องไม่แน่ใจที่มีเหยื่อความไม่แน่ใจที่มม ไ, มทไม่มีเหยื่อใช่ไหมคุณทวีชัยนั่งฟังหลวงพ่อในหลับเป็นพันโมฆาณะเลยนะเดี๋ยวต้องได้หน้าสำพื้นได้เบึง้งแน่นอนเพราะคุณทวีชัยทำหนอมานานไม่สามารถที่จะตื่นรู้ได้นั่งที่ไหนหลับที่นั่นที่มาสังเกตขอโทษนะคุณทวีจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นจิตคุณจะอ่อนไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่ฝึกแบบเคลื่อนไหวนี่นะ เพราะฉะนั้นน่ากลัวนะการที่ฝึกบังคับสะกดจิตมาเอามาทําได้ครั้งแรกแล้วไปรายงานหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าอันนี้คือผมฝึกแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยเป็นเลยแต่ถ้าหากคุณทําต่อไปแล้วจิตคุณอ่อนแล้วคุณไม่มีไม่สามารถจะบรรลุอริยธรรมได้บรรลุมรรคผลได้เพราะอะไรเพราะจิตมันอ่อนมันไม่ตั้งรับมันไม่สู้อารมณ์มันมีแต่หลบอารมณ์มีแต่หลับเพื่อหลบอารมณ์จิตอ่อน เพราะนั้นค hmm. ุณเลิกถ้าค so ุณไม่เลิกคุณทําต่อไปก็ได้แต่ว่าคุณไม่มีโอกาสที่จะบรรลุมารผลได้เลยอามาก็ไม่ทําตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพราะมาก็ทําหนอมาก่อนนะคนทำหน่อมาก่อนพออยู่กับหลวงพ่อหงพ่อก็แอบทำอามาก็แอบแอบทาหนออยู่เหมือนกันแอบทำพอหลับเรามราก็ตามลมหายใจใช่ไหมตามตามทีนี้วันนั้นไม่รู้วพระตามลมหายใจมันวืดเข้าไปเลยนะตัวแข็งเลยตัวแข็งคือเป็นชั่วโมงที่นี่มันมันถึงช่วงหนึ่งมันกระตุกลมหายใจแรงมาก มันเล็ดดิ้นได้เลยเนี่ยออกมาจากตัวแข็งได้มาตื่นเต้นมากแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นเอ้ะแบบนี้คือเปลาที่เขาเรียกเข้ายชานแบบนี้หรือเปล่าที่เข้าสมาบัติอา้าวทาอีกเป็นอีกยืนก็ทําได้นั่งก็ทําได้นอนก็ยิ่งทําง่ายอคืนนั้นทั้งคืนก็ทําเรื่องเนี้ยไม่ต้องเป็นอันหลับนอันนเนกันตื่นเช้าตื่นใดเช้าไปพบหลวงพ่อเทียนด้วยความดีใจที่ไหนได้หลวงพ่อเทียนอย่าทําต่อตั้งแตนั้นมาหยุดไม่ทําเลยนะ ถ้าเราไม่เชื่อครูบาอาจารย์เราก็เสียคนหน่อยใช่ไหมอ อ, อันนี้คือคนทนํานองมากๆก็เชื่อยากเชื่อครูบาอาจารย์ยากพราะทำมาจนติดแล้วเนี่ยมันไ ม, ไม่เกิดปัญญาที่จะเชื่อได้ในที่สุดก็ต้องยอมเสียเพราะในประเทศไทยเราก็เป็นเปียกเป็นง่อยเรื่องกรรมฐานทั้งกันทั้งนี้ก็การพัฒนาก็อย่างเนี้ยไปไม่รอดเพราะมีแต่คนกลัวบาปกลัวกรรมกลัวกลัวไปหมดกลัวไปตรงนรกไม่รู้จักบาปจริงคืออะไรนรกจริงคืออะไรไม่รู้จักรู้จักบาปกรรมตะลกที่เขาจินตนาการเอาไว้ นรกกลัวนรกแบบนั้นแหละแต่นรกที่ความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่รู ok ai, 1, dej, ne? period, so, er so, ้จักอันนี้แหละคือการที่เราหลายอย่างะเพราะฉะนั้นพวกฟ้าซีทั้งหลายก็เห็นว่าการฝึกกรรมฐานคือยาเสพติดนะมันไม่มันก็ไม่สนุนสนับให้คนมาฝึกเป็นยาเสพติดมันก็ใกล้เคียงของมันทาให้คนติดสงบติดสบายนะแล้วจิตอ่อนเพราะจิตอ่อนก็ปัญญาก็อ่อนไปด้วยไง เพราะจิตปัญญามันขึ้นอยู่กับจิตใช่ไหมถ้าจิตอ่อนปัญญาก็อ่อนถ้าจิตแข็งปัญญาก็แข็งถ้าจิตคมปัญญาก็คมนะดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นต่อมาถ้ากันนี้มันหมดเวลาก่อนนะต้อปีตอนสองตอนเย็นนะตอนเช้านี่เอาครึ่งหนึ่งก่อนนะเรื่องนี้มันยาวเรื่องเวทนาอยากจะเน้นเรื่องเวทนาเรื่องเดียวเนี่ยให้ชัดเจนให้แตกหักเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะ เวทนาสมุสรารานะเวทนาเป็นที่รวมลงของธรรมทั้งหลายถ้าคุณรู้เรื่องเวทนาเรื่องเดียวคุณรู้ธรรมได้ทั้งหมดทำไมถึง ว, ว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเวทนาอย่างละเอียดมากเลยวันนั้นในที่สุดจบธรรมเทศนาธรรมเทศนากันนี้ชื่อว่าเวทนาปริหาสุดคุณไปหาอ่านได้เลยในพระไตรปิฎกเพราะเป็นการสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับ ทีขากข่าวอิเว ส, สันโกตซึ่งเป็นลุงของพระภาษาเบุตรภาษาเลบุตรทํางานอยู่ข้างหลังทํางานพัดใช่ไหมสุนทนานไปปรากฏว่าพอจบธรรมเทศนาคนข้างหน้าได้ดวงตาเห็นธรรมยอมรับที่ศีลของพรพุทธเจ้าคนข้างหลังเป็นไรบรรลุเป็นพระาราหันนะฮะเพราะนั้นท่านไม่ได้มานั่งยกมือนั่งหลับตาแบบเราเนีแต่บรรลุพระราหันท่านทั้งฟังธรรมแต่ว่าฟังแล้วมันดุ่มดำลึกเข้าไปลึกไปได้พุ่งขึ้นมาเลยหายสงสัยทั้งหมดเลย สิบห้าวันแต่ว่ามุคลานแค่เจ็ดวันใช่ไหมเพราะเรื่องเรืงงว่วงเสียดายคุณทวีชัยหน้าไม่ถึงพื้นไม่กี่นะถ้าสงบถึงพื้นได้เป็นมุคลานะสองอีกคนนึง <c oughs> เพราะฉะนั้นในเวทนาถึงเก้าเนี่ยพอ ต, ต่อไปเวทนามันพัฒนามาเป็นมานะทั้งเก้ามาเป็นตัวกิเลสตัวใหญ่เลยถ้าเราติดสุขเวทนาสำคัญว่าดีกว่าเขา ถ้าติดทุกขเวทนาสําคัญว่าอาจเสมอเขาถ้าติดอุ้กมาสุว่รสําคัญว่าน้อยกว่าเขามันมีความสําคัญตัวอยู่สามตัวใช่ไหมบางครั้งเราก็ดีว่าเราแย่กว่าเขาบางครั้งเราไปเจอคนที่เสมอกันกูก็พอๆกับมึงนั่นแหละใช่ไหมถ้าไปเจอที่คนเก่งกว่าเราเอ้ยเรานีเราดีกว่าเราเข้าท่ากว่าเราดีกว่ามันก็จะมีกิเลสอยู่สามตัวเป็นมานะสุขเวทนาขอให้เกิดเป็น อ่ารู้สำคัญตัวว่าเก่งของเขาทุกขเวทนาสําคัญว่าแย่ของเขาอุทุก ข, ขมาสุขเวทนาสําคัญว่าเสมอเขานะสามตัวเนี่ยเราก็จะมีกิเลสสามตัวเราไปไหนแล้วก็คือการเปรียบเทียบอ่าถ้าเราไปอยู่ในฐานะที่ด้อยกว่าเราก็ยอมรับแม่เราแย่มากก็ดูถูกตัวเองใช่ไหมก็เป็นกิเลสอ่านะไปเจอคนที่เก่งไปเจอที่เก่งเสมอเราแล้วก็เออพอๆกันนะเราก็ไม่ยอมรับอ่ะมันก็มึงกับกูก็รู้เท่ากันอนะ่ะ แารทานองนี้นะขอโทษใช้ภาษาศาสตร์หนึ่งถ้าไปเจอคนที่คนอื่นด้อยกว่าเราก็นึกดูถูกเหยียดหยามเขาแต่ถ้าไปเจอที่คนเก่งกว่าเราก็ดูถูกตัวเองลักษณะยอย่างเงี้ยมันก็เป็นมานะทั้งเก้ามาจากเวทนาทั้งเก้านั่นเองอ่ามานะทั้งหมดมาจากเวทนาทั้งเก้าดังนั้นองค์ก็ลงลึกในรายละเอียดเหล่านี้ว่าเราจะจัดการเวทนาไอ้มาถึงบอกว่าเวทนาในแง่ของภาคปฏิวัติก็คือรูปกับน้ำนะ รูปกำน้าทาไมจะกล่าว่ารูปกบน้าเพราะมีความรู้สึกสองประการความรู้สึกทางกายมันออกมาในรูปของความเย็นร้อนอ่อนแข็งเข็งตึงเจ็บปวดใช่ไหมหนักเบาความรู้สึกทางจิตมันออกมาในรูปของความพอใจไม่พอใจแล้วก็ไม่แน่ใจหรืออย่างสงสัยมีความรู้สึกในส่วนที่ความารู้สึกตัวในส่วนที่เป็นรูปคือเย็นร้อนอ่อนแข็งเข็งตึงเนี่ยเป็นรูป แล้วก็มาดูอาการของจิตว่ามีความพอใจหรือไม่พอใจหรืมอรมีความรู้สึกเฉยๆว่างๆสบายๆแคอยู่ของขอ ง, ของของสองความรู้สึกนี้ถ้าไปดูทางกายเรียกว่าเห็นรูปเราไปดูทางจิตแล้วว่าเห็นนามเพราะฉะนั้นการมาดูทางกายทางจิตในเวลาเดียวกันสํารวจไปสํารวจมาถ้าหากว่าทางจิตของเราไม่มีอารมณ์พอใจไม่พอใจมันก็เป็นความรู้สึกเฉยๆก็ไม่ต้องไปรับรู้อะไรมาก ก็มารับรู้ทางกายซึ่งมีความเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงเียบปวดอยู่แทบแต่ละเวลาจะหนักจะเบาจะอ่อนจะหนักเท่านั้นเองอาจจะอ่อนจะแข็งจะหนักเบาก็เป็นเวทนาทางกายก็ดูไม่ใช่ว่าเราจะไปดูแต่เวทนาที่หนักเวทนาที่แข็งเวทนากลางเวทนาละเอียดแล้วไม่ยอมดูอันนี้ก็ไม่ใช่รูปนามเขาอย่างไม่ครบเมื่อไม่มีเวทนาที่แข็งที่หนักให้เราดูก็ทวงเวทนาดูเวทนากลางเมื่อมีเวทนากลางให้เราดูแล้วก็ดูเวทนาที่ละเอียด เวทนาที่ละเอียดนี่เองมันก็ดูยากะใช่ไหมสำหรับคนมีปัญญาจะดูได้เห็นนะคนที่มีปัญญาน้อยหน่ก็ดูเทเวทนาหยาบๆคนมีปัญญาพันกลางก็ดูเวทนาพันกลางตามระดับสติปัญญาแต่คนไหนดูทะลุได้ถึงสามระดับนี่ว่าสติปัญญาดีมากนะก็จะรู้ได้ไวเพราะฉะนั้นทุกเดี๋ยวว่าเรานอนเดี๋ยวว่าเราอยู่นิ่งๆแม้แต่เรานอนมันก็ต้องมีเวทนาใช่ไหมตอนที่นอนเวทนาอะไรไม่กี่นอนห้านาทีเวทนาเลย วิธาาีไหหยาบหรือกลางหรือละเอียดอ่าเอาเลยสิเป็นข้อสอบใหม่ละขณะที่เรานอนเมื่อกี้หลังจากแอคเซสไซ์แล้วใช่ไหมเรานอนห้านาทีเนี่ยเป็นเวทนาอะไรพอจะนึกออกไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สุขก็เวทนาแล้วก็เวทนาละเอียดอ่าทุกข์ก็เวทนาที่เราทนได้เป็นเวทนาเด็กเป็นกลางทุกข์เวทนาที่ทนไม่ได้เป็นเวทนาที่หยาบอ่า เวทนามี3ย า, า, ายาบหนึ่งเวทนาหยาบเป็นเวทนาทเรียกทนไม่ได้ต้องเปลี่ยนละ2เวทนาที่เราพอนิ่งๆทนได้อยู่เป็นเวทนากลาง3เวทนาที่เราผ่อนคลายปล่อยตัวเต็มที่ให้สบายเป็นเวทนาละเอียดเวทานาทั้งสานี้ก็มาจากสุขทุกข์และอทุกขมสุขนั่นเองแต่เรามาแยกเป็นภาษาของเราว่าหยาบกลางละเอียดเท่านั้นเองนะฉะนั้นเราก็ตามดูรูปนามพื้ตามดูเวทนาทั้งสนี้ให้ชัดเจนแต่ละเวลา มันหลักการของหลพ่เทียนมาถึงมั่นใจได้ว่ามันไว <S <S เพราะอะไรเพราะเป็นเน้นให้ดูตัวรู้สึกตัวก็คือดูเวทนาแต่ได้รู้สึกตัวเฉยๆแต่ไม่ละเอียดไม่แยบใครในเรื่องเวทนา <c oughs> ความรู้สึกตัวก็ได้แค่ชั้นเดียวใช่ไหมชั้นอยากชั้นกลางเราก็ไม่ได้ชั้นละเอียดเราก็ไม่ได้มาก็มาคอยเน้นให้มันละเอียดขึ้นอาันนั้นเองบางทีสองสามวันคนก็เริ่มได้อารมณ์ละเพราะคนที่ดูเวทนาเป็น คนที่ดูเวทนาไม่เป็นไม่เชื่อไม่รับรับเจดวันก็ไม่ได้เลยเดก็มีนะยังติดอารมณ์อยู่เลยไม่พอใจที่หลวงพ่อพูดอย่างไม่พอใจที่หลวงพ่อทําอย่างนี้ไม่พอใจที่หลวงพ่อพา ท, ทำอย่างนี้นไปทางโน้นเป็นคนละเรื่องเลยนะมันก็เลยดับได้บาปไปมาะกับวัฏานที่จะได้บุญนะมันก็ได้บาปไปเพราะเอาไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ให้ดูไม่ต้องเชื่อธรรมาแต่เชื่อความรู้สึกของตัวเองอะ่ะแต่หลวงพ่อเลยออาตมานะไกด์ให้ดูชี้ให้ดูมันเป็นอย่างนี้นะ หลักมนะันอะนั้นเองเมื่อปฏิบัติอย่างนี้แล้วนี่พระสาลีบุตรก็เข้าใจเพราะเข้าใจแล้วท่านก็เลยออกไปปฏิบัติโดยตัวเองสบายแล้วทีนี้ไปทําความเพียรดอกย้ํานะเอ๊ะทําไมบรรุษทําแล้วทําไมต้องทําความเพียรอีกอระพุทธเจ้าเป็นพระาราหันเลยทั้งทั้งยังเดินจงกลมอยู่ทุกวันนะใช่ไหมเพราะว่าเป็นการทบทวนให้ธรรมะเนี่ยแจ่มใสแจ่มชัดอยู่เสมอ เนะพอร่างกายสังขารที่ <c oughs> มีความแปรปรวนตลอดเวลาเนี่ยบางครั้งมันยังบดบังความแจ่มใสความแจ่มชัดของจิตได้แต่ก็รู้ทั้งรู้นะจิตก็ถูกบดบังแต่ไม่ใช่กิเลสแต่เป็นเวทนาเพราะเวทนาไม่ใช่กิเลสแต่เวทนาคือความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นการเคลียร์ความรู้สึกให้แจ่มชัดอยู่เสมอเป็นเหตุให้สติปัญญาแจ่มใสเพราะสติปัญญาแจ่มใสแล้ก็มองเห็นได้ในรูปปุโปร เข้าใจอะไรได้ง่ายใช่ไหมแต่คนไหนที่มีเวทนากล้าแข็งอยู่สุขภาพไม่ดีเนี่ยเวทนาก้าแข็งมันก็ไปบดบังจิตการรู้เห็นตามความเปจิงมก็พราด ม, มัวเหมือนเราดูน้ําที่มันไม่ใส่ะใช่ไหมจะดูปลาดูอะไรใต้ไม่เห็นเลยน้ํามันขุนแต่น้ํำนั่นมันใสถุงใสเขาเห็นอะไรทุกอย่างข้างในจิตของเรามันใสสะอาดแล้วมันเห็นอะไรที่ลึกลงไปที่เรา ย, ย้อนเห็นอดีตอนาะคตก็เห็นที่จิตของเราเนี่เองนะเพราะฉะนั้นการบําบัดเวทนา จึงเป็นสิ่งสําคัญว่าให้เวทนาเบาบางแต่กรรมฐานบางหมดท่านเน้นให้เวทนาให้หนักที่สุดนะเอาให้มันตายไปเลยเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนนะนั่นเป็นการฆ่าตัวเองเอากรรมฐานมาฆ่าตัวเองเนี่ยใช่ไหมมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเพราะนั้นให้ลืมมันไปเลยมันก็เราไปติดแค่สมถะเป็นตะบากไปไม่ใช่เป็นวิปัสนาวิปัสนาใช้อาตาปีตะบากสมถะใช้สมถะก็ใช้ตะบากเพราะฉะนั้น ผู้ที่เจ้าหรือผู้ทนบอกว่าการเบียดเบียนตัวเองจะโดยตรงโดยอ้อมก็ตามอันนั้นถือว่าเป็นการทําร้ายตัวเองเป็นการทําบาปแต่กรรมาฐานที่เป็นวิปัสนาต้องในโพธิราชกุมารสูตรมีอยู่ห้าข้อใช่ไหมหนึ่งมีศรัทธานในเรื่องที่จะดับทุกข์นั้นไม่สนใจเรื่องเรื่องดับทุกข์แก้ทุกข์อย่างเดียวสองมีความเพียรที่เหมาะเจาะเหมาะสมสามให้มีเวทนาเบาบางสี่ ให้เป็นคนตรงไปตรงมาอย่าคิดอย่าปรุงแก่งอะไรเรื่องราวเลอะเยอะแยะไปหมดให้รู้สึกตรงๆให้ดูความรู้สึกตรงๆเสห้าให้มีสั ม, มญญะปกติไม่ใช่คนเป็นคนสมรญะบกพร่องสติเสียเลอะเลือนบกพร่องไม่ใช่เป็นคนสติ เ, เนนสียที่ปกติมีความพร้อมที่จะรู้จักการเกิดดับได้ถ้าคนใดก็ตามได้ทํา ตามคุณสุบัติหาปรกานนั้นบางทีปฏิบัติเช้ารู้เย็นบางทีปฏิบัติเย็นรู้เช้าตรงนี้ท่านเรียกว่าโ พ, โ พ, โพิโพธิราชกุมารสูตรเพราะว่าโพธิราชกุมาร น, นั้นที่เป็นลูกของพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลที่พ่อท่านตายแล้วท่านก็ไปพาคุณไปปฏิบัติงานภารกิจตามชายแดนมีปัญหาตามชายแดนท่านกลับมามาผ่านที่ตรงที่พระเจ้ากําลังแสดงธรรมที่พระเชตวัตรท่านเลยไปนั่งแอบฟังอยู่ข้างนอก ไม่มีใครรู้อะกองทหารที่กลับมาจากการลบบนั่งแอบฟังคทราคดังฟังธรรมพอเขาเลิกเสร็จชาวบ้านกลับโพธิราชกุมารสูตรแหแอบเข้ามาพบพระพุทธเจ้าโอ้สิ่งที่ท่านตรัสสอนเนี่ยนะดีมากเลยแต่พวกผมเป็นชาวบ้านน่ะต้องทำหน้าที่ในการลบเรียวบริหารบ้านเมืองเนี่ยจะเข้าใจได้ไหมจะเข้าถึงอ่ะแล้วท่านถึงจัดโพธิราชกุมารสูตรหอย่างเนี่ย หนึ่งต้องมีศรัทธาที่จะทำสองขยันทําอย่างเรื่อยๆอุ่ไปไหนก็รู้ตัวเรื่อยๆสอย่าไปบังคับเวทนาอย่าทําร้ายตัวเองอย่าเบียดเบียนตัวเองสมีจิตใจตรงไปตรงมาดูอะไรตรงๆอย่าไปคิดเอาดูรู้สึกตรงไปตรงมาถ้าคิดเอามันจิตใจไม่ตรงใจมันคดหมีสติสมัญญะบกไม่บกพร่องสติสมิญญาปกติตอนที่หนึ่งจบเพียงแค่นี้ ว่าภาคสอง่อไฟก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้สัจธรรมที่มีอยู่ในตัวเองแล้วแต่ละเวลาให้เห็นแจ้งรู้จริงด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ